คี่คนมาพูดให้เราเกิดไม่พอใจคือความโกรธเกิดขึ้นมีทุกเหมือนกันมีใจเป็นทุกอย่างหนึ่งเสียใจเป็นทุกอย่างหนึ่งครับมันตรงกันข้ามอย่างนี้เดี๋ยวนี้เมื่อพูดอย่างนี้เขาจะถามท่านทั้งหลายเป็นอย่างไงลักษณะจิตใจของท่านเดี๋ยวนี้ครับขนาดนี้ก็เป็นยังไงครับนี่เป็นปกติดีอันปกตินี้จะมีไหมครับมีทุกคนไหมครับรก็มีบครับ